2. ทางแห่งความบริสุทธิ์พระพุทธภาษิตสเพสังขาราอนิจจติยธาปัญญายปัสติอัฏานิพินทติทุเขเเอสสะมะโควิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมหนายในทุก์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์อธิบาย ทัศนะทางพระพุทธศาสนายืนยันว่าสังขารทั้งปวงและขันธ์ทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วต้องดับสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรไปในระหว่างได้อาศัยสันตติสืบต่อไว้จึงปรากฏดุจประหนึ่งเที่ยงเมื่อรู้แจ้งด้วยปัญญาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุก เพราะการบริหารขันหรือในทุกที่จะต้องแสวงหาสังขารมาเพิ่มภาระให้ตนความหน่ายในทุกนั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คำสอนเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาทางปรัชญาให้เกียรติเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่เรื่องหนึ่งเรียกว่าหลักแห่งความเป็นไปชั่วคราวของสิ่งทั้งปวง ถือเอาความว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเป็นไปชั่วคณะเรียกคณิกะวาทะก็มีความจริงคณิกะวาทะเป็นลักษณะหนึ่งของอนิจจังสิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในถ้ำกลางและดับไปในที่สุดแม้จะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วคราวแล้วแปรปลวนเป็นอื่น แม้ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปจึงไม่ใช่สุขจริงทุกจริงแต่ประการใดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับมันก็ดับในเบื้องแรกพระโยคาวจรหรือผู้ทําความเพียรเพื่อบรรลุธรรมย่อมเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เมื่อจเจริญภาวนาต่อไป ก็จะเห็นแต่ความดับอย่างเดียวที่เรียกว่าพังคยานเมื่อเห็นความดับบ่อยๆย่อมเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเรียกว่าพระยะตูปัฏฐานยานต่อจากนั้นย่อมต้องการพ้นไปเสียไม่เกี่ยวข้องด้วยสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรียกมุนจิตุกรรมมะยะตายานเป็นลำดับไปจนถึงพรากจิตออกจากความกำนัดพอใจในการประพบเสียได้ ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ความไม่เที่ยงนั้นรู้ได้ง่ายคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นและสิ้นไปในเบื้องปลายสมดังพระบาลีว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังวุปสโมสุโข สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขสังขารที่เกิดขึ้นในอดีตดับเสียแล้วในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมดับในปัจจุบันเกิดในอนาคตจักดับในอนาคตไม่มีสังขารในการใดที่เที่ยงเมื่อกําหนดอย่างสุขุมย่อมเห็นความแปร ى, แห่งสังขาร ทุกๆขณะไม่คงที่อยู่นานเป็นไปชั่วการเล็กน้อยก็แปลแล้วดังข้อความในพิสุทธิมักว่าชีวิตและอัตภาพสุขและทุกทั้งมวลประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงไปพลันความแปรปรวนอย่างรวดเร็วนี้เราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงนามกายคือจิตบางขณะขุนมัวบางขณะผ่องแผ้วบางขณะนึกอารมณ์อย่างนั้น บางขณะนึกอารมณ์อย่างนี้เจตสิกก็เหมือนกันบางขณะเสวยสุขบางขณะเสวยทุกข์บางขณะเสว ย, ยอุเบกขาสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็แปลไปตามขณะที่ปรารบอารมณ์นั้นๆอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็แปลอยู่ทุกขณะแต่ที่มองไม่เห็นทันทีก็เพราะมีของใหม่สืบต่อวา สืบต่อของเก่าที่สุดโทมไปท่านเรียกว่าสันตติแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นโทมและต้องแตกดับในที่สุดความเกิดแล้วดับและแปรไปในระหว่างแห่งสังขารดังกล่าวมานี้สรุปเข้าในพระบาลีว่าอุปัชติเจวะเวติจะัญญถาจะภาวติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นด้วย นี่คืออนิจจลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตะวันทรงปรารบภิกษุห0 0รูปมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียนพยายามอยู่ในป่าก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตะผลได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาด้วยตั้งใจว่า จะเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรหนาจะเหมาะกับอุปนิสัยของภิกษุเหล่านี้ทรงทราบว่าในศาสนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุเหล่านี้จเจริญภาวนาเกี่ยวกับอนิจจลักษณะมาเป็นเวลานานถึงสองหมืนปีเราควรแสดงอนิจจลักษณะแก่เธอดังนี้แล้วตรัสว่าสังขารในภพทั้งปวงไม่เที่ยง เพราะอัจว่าไม่มีดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอาธิมีดังในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยทำความเพียรในการกำหนดทุกขสัญญามาเหมือนกันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขันทั้งปวงเป็นทุกขเพราะอัจว่าถูกบีบคั้นดังนี้แล้วตัดระคาถาที่สองว่า สเพสังขาราทุขาติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินทติโตเขเอสั ม, มโควิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยอบรมมาแม้ในอนัตตสัญญาด้วยเหมือนกันจึงตัดประคาถาที่สามว่า สพเพธรรมมาอนัตติติยธาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินทติทุเขเเอสัมมโคโววิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหนายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ทุกขตาคือความเป็นทุกแห่งสังขารทั้งปวงนั้นกําหนดด้วยทุกสิบประการคือ 1. สภาวทุก ได้แก่ทุกประจําสังขารคือชาติรามรณะ 2. ปักินหนกะทุกข์ได้แก่ทุกจอนคือความโศกความคร่ําครวนลําพันความคับแขนใจเป็นต้น 3. นิพพัทธทุกขคือทุกเหนืองนิดหรือทุกข์เป็นเจ้าเรือนได้แก่ความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นทุกข้อนี้คนไม่ค่อยนึกถึงกันนักเพราะบําบัดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นรุนแรงระ ง, งับได้ไม่ทันก็จะเห็นเป็นทุกอย่างชัดแจ้งตัวอย่างเช่นปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกหรือปวดอุจจาระแต่ไม่มีที่ถ่ายก็จะเห็นเป็นทุกหนักเพียงใดโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะอุจจาระนั้นมีมากมายหลายอย่าง 4. พยาธิทุกหรือทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆมีสมุทฐานต่างๆ 5. สันตาปัททุกได้แก่ความร้อนรุ่มหรือความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสเช่นราคะโทสะหรือโมหะเผาให้ร้อน 6. วิปากัททุก ค, คือทุกอันสืบเนื่องมาจากผลของกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจบ้างการเสวยกรรมกรคือถูกลงอาจยาบ้างความชิบหายความตกยากและการตกอบาย 7. สหกัตทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันคือทุกข์กากับเช่นได้ลาบได้ยศได้รับสรรเสริญและได้สุขแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าปรินา ม, มะทุกข์ก็มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสทรงมีมติว่ามีลาบคือทรัพย์ต้องเฝ้าต้องระวัง ไม่เป็นอันหลับอันนอนได้โดยปกติต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์ก็มีมียศคือได้รับตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามัญเป็นชั้นๆต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญจำต้องมีทรัพย์มากเกินกำลังมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะของผู้อื่นจนนุงนังต้องพลอยทุกพลอยสุขกับเขาได้รับสรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวาน ชวนจะเพลินไปว่าตนดีต้องมีสติระวังไม่ให้เมากล่าวคือเพลิตัวดื่มเหล้าซะอีกผู้ดื่มยังอาจยังได้ส่วนสันเสรินจากผู้อื่นยั่วยวนอยู่เสมอมีสุขเป็นทางปรารถนายิ่งขึ้นจึงยังไม่อิ่มเป็นอันไม่ได้สุขจริงวิบูรณผลอย่างนี้มีทุกข์กำกับอยู่ด้วยแสดงในโลกธรรมสูตรว่าเป็นทุกข์ก็สม 8. อาหารระเบรีย ท, ทุกขคือทุกขในการหากินทุกเรื่องด้วยการเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระมหาสมณะทรงพรรณนาไว้ในธรรมวิจารณ์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมแย่งกันหากินติละานมีเนื้อเป็นพักษาย่อมพลานชีวิตชนิดเล็กกว่าตนเป็นอาหารย่อมสู้กันเองบ้างเพราะเหตุแห่งอาหารสัตว์ที่มีหญ้าเป็นพักษาอาหาร ออกหากินย่อมเสี่ยงต่ออันตรายย่อมบาดเสียวเป็นนิดต้องคอยหลีกหนีศัตรูหมู่มนุษย์มีการงานขัดทางแห่งกันและกันต่างคิดแข่งขันตัดรอนกันทำร้ายกันพรานชีวิตกันเพราะเหตุแห่งอาชีวะก็มีได้เสวยทุกอันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมากแม้ผู้มีทางหาโดยไม่ต้องประกันผู้อื่น แทบทุกคนยังรู้สึกว่าหาได้ไม่พอเพื่อเป็นอยู่สะดวกทุกชนิดนี้แสดงในบาลีโดยเป็นสังเวคะวัตถุประการหนึ่งสมัยปัจจุบันวงเ็บพศสอ 2016. ทุกในเรื่องการหากินเด่นชัดยิ่งขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระมหาสวนเจ้าทรงรจนาเรื่องนี้วงเ็บพศสอการทำมาหากินในเมืองไทยยังสะดวกสบายอยู่พระองค์ท่าน ยังทรงพันนาไว้ป่านนั้นหากทรงมีพระชนยืนยามาได้เห็นความเป็นอยู่การดิ้นรนเพื่อหากินของคนไทยสมัยนี้พระองค์ท่านคงจะเห็นเป็นสังเวคะวัตถุคือเรื่องชวนสังเวชสักปานใดที่เห็นมนุษย์วิ่งวนอยู่ทุกถนนทุกซอกทุกซอยนั้นล้วนแต่เที่ยววิ่งหาเงินทั้งนั้นการหาเงินก็เพื่อนำมาแลกของกินของใช้รวมความว่าการธรมมาหากินนั่นเอง การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงเป็นภาระอันหนักของคนส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้นอกจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วมนุษย์ยังต้องเที่ยววิ่งหาเกียรติเพื่อเลี้ยงอาหางการหรืออัตตาให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อให้อีโก้มันเรื่องขึ้นเมื่อตัวตนใหญ่ขึ้นการสแสวงหาการก็สะดวกขึ้นด้วยคำว่ากามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าต้องการทั้งปวงไม่ได้หมาย ในวงแคบเพื่อความต้องการทางเพศอย่างเดียวเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียดเป็นภาระอันหนักอึ้งที่มนุษย์ชวนกันแบกไว้และวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอันร้อนละอุ ด, ด้วยไฟคือความกระหายการกระโจนลงไปในทะเลแห่งความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดื่มน้ำเข็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายลอยคอขวักไข่ อยู่ในห้วงมหนันนบซึ่งมีกระแสอันเชี่ยวกล่าวคือความต้องการความสุขอันยิ่งขึ้นไปขึ้นไปไม่มีขอบเขตจำกัดไว้ว่าเท่าใด จ, จึงจะพอใจแล่นออกหน้าไปเกาะที่ลาบยศสรรเสริญสุขจนผลของการงานไม่อาจสนองให้ทันได้เมื่อได้แล้วก็มัวเมาเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนให้เพลินหลงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวง วิวาทมู ล, ลกทุกคือทุกข์ที่มีการวิวาทกันเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใสความกลัวแพ้ความวันหวาดอันเนื่องมาจากทะเลาะกันบ้างสู้คดีกันบ้างรบกันบ้างแสดงในบาลีโดยความเป็นกา ม, มาทีนบคือโทษของกาม10ทุกขขันคือทุกขวรยอดได้แก่ความทุกขันเกี่ยว กับความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนด้วยตัณหามาณทิฐิดังแสดงในบาลีธรรมจักรกะปวัตนะสูตรว่าสังกิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาเท่ากับโดยรวบยอดอุปาทานขันห้าเป็นทุกขแสดงในบาลีอนัตตลกขนสูตรว่าเอตังมะมะนั้นเป็นของเรายึดตัวตนด้วยตัณหาเอโสหะมัสมิ เราเป็นนั่นยึดตัวตนด้วยมานะเอโซเมอัตานั่นเป็นตัวตนของเราคือยึดตัวตนด้วยทิฐิทุกทั้งปวงตามมาเพราะความยึดถือนี้การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกเต็มที่รู้จักใช้ยานกําหนดเห็นทุกอย่างละเอียดที่โลกเห็นเป็นสุขมีสหกัตทุกเป็นนิทัสนะดังพระบาลีว่าทุกขเมวะหิสัมโพติทุกขังติทติเวติจะ นานยัตระทุกขาสมโภตินานยัตระทุกขะในรุดสติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับได้พรรนานาเรื่องอนิจจงทุกขังามาพอสมควรแล้วจะพรรนานาเรื่องอนัตตาต่อไปอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ด้วยลักษณะห้าอย่างคือหนึ่ง ไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนาดังที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกะสูตรว่าถ้าคันห้าเป็นอัตตาแล้วไซร์เราก็พึงบังคับได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่เป็นอนัตตามันจึงไม่เป็นไปตามปรารถนาของใครๆ 2. แย้งต่ออัตตาคือตรงกันข้ามกับอัตตาดังแสดงในสูตรทั้งหลายมีอนัตตลกนสูตรเป็นต้นว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นตัวตนของเรา 3. ความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ดังแสดงในพระสูตรทั้งหลายมีอนัตตลกนัสูตรเป็นต้นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสอามะสมิเรามิใช่นั่นณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 4. ความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไปดังแสดงในพุทธภาษิตยพยากรณ์ปัญหาของโมคราชานพในปรายยนวสุตตนิบาตว่าสุญโตโลกังอเวขัสะโมคราชาสตาสโตอัตตานุทิถิงโอหัจจะเอวังมัจจุตโรสยาเอวังโลกังอเวขันติมัจจุราชนปัสติแปลว่า ดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเล็งเห็นโลคโดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิถิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียด้วยอาการอย่างนี้ท่านพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้มัจจุราชย่อมแลไม่เห็นคนผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้สังขารเป็นสภาพว่างนั้นพึงเห็นได้ดังนี้ในการใดผู้พิจารณาเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อย คือแยกแยะออกเป็นส่วนๆในการนั้นย่อมแลเห็นสังขารเป็นของว่างถอนคณะสัญญาคือความเห็นว่าเป็นก้อนเสียได้อันได้แก่การถือเอาโดยนิมิตว่าเราเขาดังแสดงในบาลีว่ายะถาหิอังคสัมภาราโหติสัตโตระโถอิติเอวังขันเทสุสันเตสุโหติสัตโตติสัมมติ เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีได้ฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตย่อมมีได้ฉันนั้นยะถายะานิชายติโยนิโสอุปริคติฤตกังตุจจกังโหติโยนังปสติโยนิโส เมื่อเพ่งพิจารณาสังขารโดยแยกคายมากขึ้นเท่าใดก็ย่อมเห็นสังขารว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่ามากขึ้นเท่านั้นสังขารเป็นสภาพหายไปนั้นดังแสดงในชราสูตรว่าสุปิเนณยะถาปิสังขตังปฏิพุทโธปุริโสณปสติเอวัมปิปิยายตังฉะนังเปตังกาละกตังนปสติ คนผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอะไรที่ตนฝันเห็นในขณะหลับชันใดบุคคลย่อมไม่อาจเห็นสนที่ตนรักผู้ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นอันหนึ่งพุทธปรัิญาฝ่ายโยคาจารหรือวิชยาณวาตมีความเห็นว่าสิ่งที่เราได้พบเห็นจริงในชีวิตจริงไม่ผิดอะไรกับความฝันความฝันก็เป็นความจริงในช่วงหนึ่งของชีวิต ความจริงก็คือความฝันนั่นเองขณะเราฝันเราไม่เคยรู้สึกว่าเราฝันแต่เราสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นความจริงทุกครั้งไปดังนั้นในฝันจึงมีความโกรธเกลียดรักสะเทือนใจร้องไห้เศร้าตื่นเต้นเป็นต้นทุกอย่างเหมือนในชีวิตจริงทุกอย่างแม้เราจะตื่นขึ้นแล้วบางคราวก็ยังมีร่องรอยอันนั้นอยู่เช่นหัวเราะร้องไห้หรือหัวใจสั่นเพราะความกลัวเป็นต้น จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานี้เรากำลังฝันกันอยู่ทั้งนั้นที่เราฝันเพราะเราหลับหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสและความยึดมั่นที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราพอตื่นจากกิเลสก็หมดความตื่นเต้นในสิ่งทั้งปวงเหมือนคนตื่นจากหลับพอรู้ว่าฝันไปก็หมดความตื่นเต้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเมื่อร ล, ลึก ขึ้นมาก็ล้วนเหมือนความฝันทั้งเส้นไม่มีอะไรเหลือจริงจังเลย 5. ความเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นลักษณะรวบยอดแห่งอาการทั้งห้าที่กล่าวมาแล้วดังบาลีในพุทธอุทานว่ายธทาฮาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพรามนัสสะอัทธสกังขาวายันติสพายยะโตปชานานิ สเหตุธรมมังยะโตขยังปัจจญานังอเวทิเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุและเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยความหมายตามพระพุทธภาษิตนี้ทำทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยมีก็มีขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับก็ดับไปดังกล่าวมาห้าประการนี้เป็นอนัตตลักษณะคือเครื่องหมายแห่งความเป็นอนัตตาแห่งสังขารทั้งปวงเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหนายในทุกนั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ดังพนานามาชนี อีกอย่างธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันละเขตปะหาตีอันนีท่าน ไดอธิบายความละเอียดถ้าผู้ไม่คุ้นเคยกับสัพทธรรมะก็อาจจะฟังเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ถ้าคุณเคยดังพวกที่มาสวดประจำก็น่าจะพอเข้าใจได้บ้างแต่ถ้าไม่นำไปภาวนาไม่ได้นำไปพิจารณาก็เข้าใจยากเหมือนกันนะชัแนแม่การสวดการสาธยายเสร็จแล้วก็ ต้องได้ภาวนาด้วยการภาวนาจะทำให้เราไขปัญหาที่เราได้อ่านได้ผ่านแม้ไม่มากก็ทำให้เราได้เห็นน้อยน้อ ย, อยไปเรื่อยๆเนี่ยหรือถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนขึ้นมา อ, อ, อย่าบทสวดที่ท่านยกมาท่านอธิบายละเอียดมากเลย ในส่วนสังขารที่ไม่เที่ยงอันนี้ท่านหมายถึงเห็นโดยยญาณคือปัญญานี่ถ้าเห็นด้วยสัญญานี่มันไม่ซึ้งหรอกนะทุกคนก็เห็นเห็นความไม่เที่ยงของสังขารแต่ถามว่าเห็นไหยความแก่ความเจ็บความตายเห็นเหมือนกันแต่มันเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยตาข้างนอกไม่ได้เห็นด้วยตาข้างในเนว่าเห็นด้วยตาข้างนอกเห็นแล้วมันก็ยังหลงรักหลงชัง ลงยึดลงมั่นลงหมายนี่มันไม่ได้เห็นด้วยตาหยาแต่ปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเนี่ยทาจะย้าเลยเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์นี่ยสังขารเป็นอนัตตาเนี่ยพิจารณาถึงความจริงที่ท่านขยายความได้ละเอียดมากแม้ในเรื่องของความไม่เที่ยงนี้ วันก่อนก็เคยได้พูดให้โยมฟังไปแล้วในความละเอียดของจิตใจที่สัมผัสกับความไม่เที่ยงถ้ามันสัมผัสได้ด้วยใจจริงๆนะมันเห็นด้วยใจนะไม่ได้เห็นด้วยด้วยสัญญาด้วยท่องเอานะถ้าไม่เห็นด้วยใจสัมผัสปุ๊บมันก็จะมันก็เห็นเป็นอะิจจังทันทีเลยนะพอสัมผัสแม้เป็นเรื่องอารมณ์ที่มากระทบจิต อย่างอารมณ์ที่มันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนี่ยสัญญาณภายในมันก็จะบอกว่าเอออันนี้มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันบอกมาด้วยด้วยสติระลึกได้เนี่ยทคสอนท่านบอกว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจมันก็ไม่เทียเ่ยงเ่ เมื่อเห็นเข้าไปในใจไม่ได้เห็นลักษณะนี้เนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้มันก็เป็นคนที่รู้ทันอารมณ์เนี่ยไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันความยึดมั่นในสิ่งนั้นมันมันก็คลายออกเนี่ยคลายออกก็ลดน้อยลงวง่ายก็ความไม่ชอบใจความชอบใจมันก็ต้องลดลงน้อยลงยิ่งถมองให้ไปถึงสภาวะของความทุกข์ มันก็เห็นได้ชัดมากขึ้นถ้าเห็นด้วยด้วยปัญญาที่ว่าเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารในที่นี้ท่านหมายถึงสงร่างกายและจิตใจมอนกันตั้งภายนอกและภายในเนี่ยมันเป็นทุกข์นะบางทีเรามองเห็นสิ่งที่มันนอกกายเราเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ทุกข์แต่ถ้าสภาวะธรรมมันก็ทุกข์เหมือนกัน คือความแ ป, ปรปวนของมันอะไรที่มีความแ ป, ปรปวนท่านจัดว่าเป็นความทุกข์นะความแ ป, ปรปวนของสรรพสิ่งทั้งหลายมันค่คําค่้านะมันเก่าค่่ำค่้าไปนะี่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอ น, นิจจงนะทำให้เกิดความคล่ำค่า้าความเป็นทุกข์นะนะ่ต้นไม้มันก็หักมีอะไรมันก็ผุก็พังเนี่นะนะนะ่าเห็นโดยเฉพาะท่านให้มองใกล้ตัวเข้ามานะ ในตัวตนที่เราสมมุติว่าเป็นตัวตนของเราเนสภาวะทุกข์มันเยอะมากเลยเนย่ดังที่ท่านอธิบายนยีในเรื่องของความทุกข์เป็นสิบกว่าอย่างจริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นแหละนแต่ น, นี้เพื่อเพื่อให้กาหนดง่ายขึ้นแยกออกเป็นส่วนๆถ้ามามองดูที่กายของเราเราก็เห็นตั้งแต่เช้ายันเย็นเนเราจะเห็นความทุกข์ที่ต้องแบกภาระกับมันน ทท่านว่าถ้าเราไม่กำหนดก็เหมือนกับไม่เห็นเพราะว่ามันมีสันตติความสืบต่อกันระหว่างทุกเนี่กับสุขซึ่งจริงๆแล้วท่านว่าสุขมันก็ไม่ไม่มีหรอกนี่มันตัวสันตติที่เรายังคล่องแคล่วว่องไวบันบาสืบต่อให้มันลืมให้มันลืมความทุกเนี่ยอย่างคนแข็งแรงเนี่ยนั่งถ้าปวดนานๆเนี่ยรูปไปมันก็หายแล้วน ถ้าคนแก่คนเท่านีสภาพสังขารสุดโทมเนี่ยลุกไปแล้วมันก็ยังไม่หายนี่ยเนีลุกไปแล้วมันยังปวดอยู่ยังเจ็บอยู่เนี่ความทุกข์มันก็ปรากฏมากกว่าสันติมันความเปลี่ยนแปลงมันไม่เร็วมันคนเป็นหนุ่มๆคนหนุ่มมันเปลี่ยนได้เร็วมันก็เลยท่านเรียกอีกอย่างว่าอิริยาบถมันบังทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์เนี่ยเมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็เลยประมาทประมาทว่าเราสบายเราสุขสบายนี่ย โอ้เราแข็งแรงไม่มีทุกข์แต่ธรรมะตัวมันไม่แน่มันไม่ทุกข์วันนี้ต่อไปมันจะทุกข์เพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงมันบอกอยู่เนี่ยวันนี้มันสุขพรุ่งนี้มันจะทุกข์วันนี้มันสบายพรุ่งนี้มันจะไม่สบายมันมีอยู่เนี่ยท่านตึงจึงไม่ให้ประมาทเนี่ยถ้ามองทะลุผ่านเข้าไปอีกถึงข้อที่สเนี่ยสัพเพธรรมะอนัตติเนี่ย เมื <dle> like, อ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยปัญญาเหมือนกันนะเห็นด้วยปัญญานี่ยมองไปถึงที่สุดเนี่ยของก้อนสังขารเนี่ยหรือทั้งส่วนที่เป็นนมามธรรมก็ตามเนี่ยสุดสุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงจรเนะี่ยไม่มีอะไรเนี่ยที่เหมือนท่านบอกว่าเหมือนกับเล่นละครหรือเหมือนกับเป็นความฝันเนะี่ยจริงในความฝัน จริงในสมมุติในชีวิตนี้บางทีเราก็พูดกันอยู่ว่าชีวิตนี้เหมือนฝันเนาะเหมือนความฝันนี่นั่นก็หมายความว่ามันไม่จริงนั่นเองแม้แต่ชีวิตที่เราแสดงอยู่นี่ถ้าโดยสัจจะและ้วทั้งว่ามันไม่จริงนี่ท่านจิงเรียกว่าชีวิตนี้เหมือนละครนี่ละครลงใหญ่มันเหมือนจริงแต่มันไม่จริงฝันในขณะที่ยังตื่นอยู่นี่ แต่ภาษาธรรมะแต่มันไม่ตื่นหรอกมันไม่ตื่นถ้ามันหลับหลับด้วยกิเลสหลับด้วยตัณหาก็ชื่อว่าไม่ตื่นแต่อันหนึ่งเราร่างกายเราหลับไปฝันไปอันนี้ทุกคนก็สัมผัสได้ฝันเราเห็นว่าฝันมันมันมันไม่จริงแต่ความรู้สึกบางทีมก็เหมือนจริงดังที่ท่านว่านะบางครั้งตื่นขึ้นมายังเสียดายเนาะบางคน ได้อะไรมามือยังกำอยู่เลยแต่มันไม่มีอะไรนะมันเป็นเพียงความฝันเนี่ยนี่แต่ฝันในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะเหมือนกับเรามีจริงเหมือนกันเรามีโน่นมีนี่เหมือนกับจริงเหมือนกันนียแต่สุดท้ายก็มือมือเปล่าเหมือนกันกำมือเปล่าเหมือนกันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยนี่ฝันในชีวิตจริงมันก็มีเหมือนที่ท่านว่าอาจริงว่าโลกนี้มันเหมือนละครจริงแสดงกันไปแล้วก็บางคน แสดงสมบทบาทก็จริงจังกับบทบาทเนี่ยจนหลงในบทบาทหลงจนเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาที่เรียกว่ามีอีกโก้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดามันหลงขนาดนั้นแหละเนี่ยนจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าศึกษามอนกันในธรรมะที่ท่านบอกว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะถอนอัศมิมาณนทะถอนกิเลสตัณหาถอนความ พอใจไม่พอใจต่างๆที่มันหลงในโลกนี้ให้มันลดน้อยถอยลงไปหรือให้มันหมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นเป็นส่วนสำคัญของผู้ปฏิบัตินี่อย่าลืมเราอยู่โลกนี้ก็อยู่กันชั่วครั้งชั่วคราวหรอกจะไปเอาจริงจังกับมันไม่ได้หรอกอย่าจริงจังอยู่ทั้งว่าต้องเอาชีวิตไปทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นจนเสียประโยชน์อันจะพึงได้นี่ ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมมุติสมมุติให้มันจริงนั่นแหละแต่มันไม่จริงต้องบอกมันไว้เนี cans. ่ยก็เป็นของเราของเราจริงๆนั่แหละแต่ถ้าโดยสัจจะมันไม่จริงเนี่ยถ้าได้มาก็ว่าของเราก็ว่าของเราเหมือนกันของเขาก็ของเขาเหมือนกันแต่ของเราโดยสมมุติของเขาโดยสมมุติเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีของเราจริงๆไม่มีของเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยของโลกที่มันมีอยู่เป็นอยู่สุดท้ายมันก็ดับไป เมือนสังขารเหมือนร่างกายของเราเห็นไหมทุกยุคทุกสมัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็ตายไปดับไปอย่างนี้แม้เราเองนี่มันก็ต้องคลานไปสู่จุดนั้นเมื่อวานยังคุยกับโยมวยวโอยู่เนี่ยโอเมื่อเมื่อเช้าก็คุยเหมือนกันบอกว่าเมื่อ3าสิปีก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้แหละเออดั้ <arrive> นสีน่เขบอกทาไมมันเปลี่ยนขนาดนี้สามสิบปีมันก็ไม่ใช่น้อยแหวะน้องตาช ช่วชีวิตหนึ่งนี่ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนจนไปคนละคนเลย น, ะนี่ความรู้สึกเป็นคนละคนไปเลยนั่นก็คือสัจจะที่มันแสดงความจริงออกมาให้ปรากฏและสุดท้ายอ้าวคนที่เราเคยพบเคยเห็นลมหายตายจากไปหายไปแล้วเยอะแยะไปในช่วงชีวิตที่เราเกิดมาก็เห็นอยู่นี่หายไปนี่นี่ อาจจะแรกๆอาจจะอยู่ไกลแต่ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้ตัวเราเข้ามาเหมือนกันวัดตะมาเหมือนกันนะแต่ก่อนก็มีพ่อมีแม่มีอยู่เหมือนกับเราอยู่ร่วมกันน่แหละแต่ตอนนี้ท่านก็ไปแล้วเนี่ยอยู่ไปบางครั้งนั่งคิดพิจารณาไปก็เออเนี่มาทบทวนเรื่องอดีตนี่ที่ผ่านมานะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเนี่ ย, ยะจะเศร้าโศกจะร้องไห้ก็แลกอะไรอยู่เนี่ย ท่านว่าถ้าโศกเศร้าร้องไห้มันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคนบ้าอีกนะี่เอมันคิดแล้วมันก็เอาธรรมะมาใช้เนะี่ยเพราะกิริยาการร้องไห้นะี่ท่าว่ามันเหมือนคนไม่รู้เรื่องนะี่เหมือนคนไม่รู้เรื่องเหมือนกับเด็กต่านว่าอย่างนั้นนะี่ก็เลยเพียรนาว่าเออถ้าธรรมะท่านก็ให้เห็นสัจธรรมคือความจรงิงปู่ย่าตายายทุกชั่วคนก็เป็นมาลักษณะนี้ก็เกิดดับ แม้เราเองก็เหมือนกันก็เดินไปเดินไปจุดมุ่งหมายก็คือไปจุดเดียวกันสุดท้ายมันก็ดับไปเนี่ยเหลือลุนลูกรุนห ล, ล, ลานตามมาทีหลังเขาก็จะไปเหมือนกันเพราะจุดหมายปลายทางมันอันเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าพิจณาเห็นลักษณะนี้จะว่าเห็นสัจจะเห็นความจริงของชีวิตเ่มันก็จะได้เตือนตนเองอย่าคิดอยากมากอย่าคิดโลภกดลงมากเนี่ย เพราะมันไม่มีอะไรเนี่ยในชีวิตหนึ่งๆนี่ถ้าจะมาสนับสนุนให้มันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่วตาสงสารมันจะยาวนานมากเนี่ยมนุษย์แต่เจ้าที่ท่านตัดกับภาษาบกเยมนเนี่ ย, เ, ยเมื่อเรายังไม่พบญาณยังต้องต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเนี่ยเพราะความไม่รู้ความจริงคืออริยสัจสีนี่แหละเนี่ย จึงทำให้วนเวียนอดู่วทุกแล้วทุกอีกเนี่ยเกิดทุกคราวก็เป็นทุกทุกคราวเกิดทุกคราวก็เป็นทุกรำไปเนี่ยมันไม่มีสุขนะถ้าขึ้นชื่อว่าเกิดเนี่ยท่านท่านจะบอกว่าความเกิดเป็นทุกเลยถ้าท่านว่าความเกิดเป็นสุขก็น่าสนใจอยู่นะชาติปิทุกขาเนี่ยสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันนะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนบางคนก็ปรารถนาความเกิด ปรารถนาเป็นโน่นเป็นนี่บางทีก็โอ้ยอยากเป็นเศรษฐีกุดุมพีอยากเป็นคนมีอํานาจอยากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินวลก็คิดว่าจะมีความสุขเนี่ยถ้าเราศึกษากษัตริย์หรือพระเจ้าจักรพรรดิต่างหลายท่านก็ลําบากเหมือนกันนะยิ่งภาระมากยิ่งเป็นคนยิ่งใหญ่มากภาระก็ยิ่งมากขึ้นเหมือนที่เราฟังมาเมื่อกี้นี้นี่มันไม่ใช่ว่ามันจะสบายเลยภาระมากเป็นทุกข์มากเนี่ย แลนพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมนี่ท่านถึิ่งเตือนช่างกันระบบเอาไว้เนี่ยท่านกลัวว่าท่านจะหลงหลงในอำนาจนีบอกว่าช่างกันระบบเนี่ยที่มาตัดผมให้น่ยบอกว่าสังเกตด้วยนะเนี่ยถ้าศีรษะผมบนศีรษะถ้ามันมีเส้นขาวๆเมื่อไหรถอนมาให้ถอนให้เราดูด้วยอยงั้นเนี่ยนี่ท่านเอาไว้เตือนตนเองเนี่ยนี่ยวันดีคืนดีก็ช่างตัดผมเห็นเข้า ก็โอ้ยเจอแล้วพยาการงอกไปแล้วเส้นหนึ่งเอา้าถอนมาดูสิถอนมาใส่ผฝ่ามือของท่านที่กังปรุงกรรมาฐานบอกว่าสมควรที่จ ะ, กะเกษียณแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องหรือให้ลูกให้หลานไปบอกว่ามันถึงการถึงเวลานะที่จะต้องทําประโยชน์ให้แก่ตนแล้วเนะี่ยถ้าอย่างนั้นก็จะตายเปล่านั่นเรียกว่าผู้ส่งธรรมท่านไม่หลงน แม้ว่าท่านจะมีอำนาจมีอะไรก็ตามถ้าไม่หลงในอำนาจนท่านก็ยังเอาธรรมมาเตือนมาเตือนใจท่านนี่ท่านบอกว่าอายุมันกเสียนแล้วนี่พอแล้ว น, นก็เข้าเป็นลือศีเข้าป่าเป็นลือศีไปนะรุ่นหลังมาท่านก็สอนไว้อย่างเนี้ยสอนไว้สอนไว้อย่างนี้ถึงเวลาก็ไปถึงเวลาก็ไปนี่แต่ยุคสมัยดังที่ท่านว่า เ, เมื่อกิเลสตัณหามันมากขึ้นเนะ มันก็มีทายาตรุ่นหลังๆนี่หลงในอำนาจหลงในลาบยศทั้งหลายนี่ไม่ประพฤติธรรมตามบรรพบุรุษที่กระทำมาสุดท้ายมันก็พินาศนะทุกสิ่งทุกอย่างก็พินาตนเองก็ไม่ได้ทําที่พึ่อให้แก่ตนเอง น, นีคิดว่าจะยิ่งใหญ่จะเอาโลกทั้งโลกให้เป็นของตนเองนี่นสมกับที่ท่านพามาว่าเอามาหาสมุทรเป็นขอบเขตนี่มันก็ยังไม่พอหรอกนี่ยมันยังอยาก ไปเรื่อยอยากไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยความอยากมันไม่มีที่พอเนี่ยน้ําตันหาโลพาความอยากหาได้มากความอยากแห่งหลายเขาว่าภาษาอีสานว่าอย่างนั้นเนี่ยน้ำตันหาโลพาความอยากหาได้ามากความอยากแห่งหลายว่านีก็แสดงว่าคิดว่าได้มากมากมันจะพอเลยความอยากกลับมากขึ้นกว่าเก่ายิ่งได้มากความอยากยิ่งอยากมากขึ้นไปอีกนี่ย bakın. นี่มันมีตัวอย่างให้เราเห็นนะ อย่างบางคนถ้าไม่มีธรรมเนี่ยนะยิ่งมีมากจริงๆมันน่าจะให้ความสุขแก่ตนได้แล้วเนะี่ยเพราะความอยากมันมากขึ้นก็ดิ้นรนแสวงหาโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมเนี่ยสุดท้ายตนเองก็หาความสุขไม่ได้ ท, ท, ทั้งๆที่ทรัพย์นั้นมันควรจะสร้างความสุขให้เกิดให้มีขึ้นได้แต่ใช้ไม่เป็นเพราะความอยากมันมากอันนั้นก็เลยสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเนี่ย สร้างความลำบากสร้างตันหาให้มากขึ้นมันก็ลำบากเลยยิ่งมีมากก็ยิ่งลำบากเลยทีนี้มันหลายเรื่องหลายอย่างนะแต่ว่าผู้ที่มีมีทรัพย์ภายนอกมีทรัพย์ภายในพร้อมกันไปเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันแต่นั้นท่านบุญจริงๆเป็นคนบุญเหมือนในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็มีนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐีใจบุญเนี่ยก็มีเนี่ยคิดแต่จะทําประโยชน์ คิดแต่จะช่วยเหลือคนอื่นผู้ที่เขาลําบากยากจนนะนั่นเรียกว่าคนที่มีปัญญาเนะี่ยได้ทรัพมาก็เกิดประโยชน์ตั้งแต่ผู้อื่นและแก่ตนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นตั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเขาก็สามารถเอาโลกยทรัพย์นั้นเนะี่ยต่อเอาอริยทรัพย์ได้ทุกทุกครั้งไปเนะี่ยพอได้มาก็ก็ต่อเอาอริยทรัพยนะ์ให้มันเกิดขึ้นเนี่คนลักษณะนี้ก็หายากหน่อยนะแต่ก็มีเหมือนกัน เ็เรียกว่าเศรษฐีใจบุญมีมีมืม่นกันถ้าสมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยอย่างอนาถปิณฑิกะเนี่ยเศรษฐีนางวิสาขาหรือเศรษฐีหลายๆท่านหลายๆคนที่มีทมในใจนท่านก็ใช้วิธีนี้ใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อเอาอริยทรัพย์ภายในเนี่ยท่านก็สบายทั้งพบนี้และพหน้าแม้ว่า ท่านจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามยังเป็นปัจจัยต่อไปในสามภรยาพบข้างหน้านข้างหน้าปัจจัยที่สั่งสมเอาไว้มันก็ตามไปละเสั่งสมปัญญาปัญญามันก็ตามไปนะสั่งสมนความดีความดีมันก็ตามไปสั่งสมความไม่ดีความดีมก็ตามไปเหมือนกันเป็นเงาตามตัวไปเลยนะจะหนีไปไหนมันหนีไม่ได้หรอกร่างกายมันดับนะแต่ว่าจิตใจมันก็ยังเป็นสภาวะที่จะต้อง สืบต่อไปจะเรียกว่าเป็นสันตติก็ได้มันยังมีตัวที่สืบต่อเนี่ยถ้ามันมีพบมีชาติต่อไปนะอุปนิสัยต่างๆที่มันสร้างเอาไว้ด้วยบุญกรรมที่ทําเอาไว้มันก็ตามไปแน่นอนนะมันไม่ไปไหนเนี่ยเหมือนเราทําไว้วันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามไปเนี่ยทาไว้แต่เมื่อวานมันก็ตามมาถึงวันนี้นี่เราดําริไว้แต่เมื่อวานใช่ไหมบางคนโอ้คิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะต้องมาวัดแล้วก็ปัจจัยตัวนั้นมนก็พามาไม่ใช่เลย เป็นแต่บางคนมีปนะระสัคมากๆจริงๆนะแต่ก็มีน้อยแหละถ้าความตั้งใจมันมีแล้วนั่นก็คือการสั่งสมที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยเราสั่งสมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามนะี่อันนั้นมันก็พาไปนี่นะีนะ่นะ nickname. ถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนไม่ปรารบไว้ก่อนไม่ตั้งใจไว้ก่อนมันก็มาไม่ได้นะี่นีนะนะ่เราตั้งใจไว้แต่เมื่อวานเห็นไหมมันก็เป็นปัจจัยมาถึงวันนี้นะี่ถ้าวันนี้เราปฏิบัติดีนพรุ่งนี้ก็เป็น ผลที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องอนาคตก็จริงแต่เราก็สามารถสันนิษฐานได้นี่ว่าเพราะเหตุปัจจุบันนี้เราทำไว้ดีอนาคตก็ไม่สงสัยเนี่ยการตั้งจิตไว้ดีนีว่าจึงนำสุขมาให้ดังที่พุทธภาสิต ท, ท่านกล่าวไว้นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติวันนี้ก็คงจะสมควรเนาะจะได้พักผ่อน